42ถ้าคิดขณะจิตรวมจิตจะถอนออกมาวงเล็บเปิด21กุมภาพันสองพในวงเล็บสองจุดจุดนาที26วงเล็บปิดเวลาจิตมันรวมนะรวมด้วยสมาธิร่างกายมันจะหายไปเหลือสติประคองรักษาจิตเอาไว้อันเดียวต่อมาความคิดมันเกิดว่าอุ๊ยตัวเราหายไปตรงนี้มันถอนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตกใจนะพอไปคิดปุ๊บ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 ฉะนั้นสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปมันก็หยั่งลงมาให้เราดูแสดงตัวอย่างให้เราดู